เดี๋ยวตมาตายไปจะไ ม, ม่มีตําราสอบอารมณ์ที่แน่นอนและถูกต้องก็ได้จากหลวงพ่อองค์นี้มากท่านสอบอารมณ์เราอย่างไรอารมณ์เกิดขึ้นอย่างไงได้อดไรอะไรตอดไว้ครบแนวนี่จะพิมะะพ์แจกเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีกิจกรรมรู้กฎแห่งกรรมได้ในเลื่องนี้แน่นอนที่สุดนี่แล้วทีนี้ก็โยมมาทําบุญแล้วสงค์ภาษาบอกหลวงพ่อเราไม่รู้เรื่องท่านก็กระที่บอกเราบอกนี่เธอมีผิดอีกดิบ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 เผาหมดมันก็ไม่มีผีดิบนี่เหตุผลแล้วท่านบอกว่าเหลืออีกศพหนึ่งจะเป็นอยู่เนะีก็ไปขุดอีกศพนึงขุดมาขนกาลังงอเล็ยบยาวออกมาแล้วนี่อย่างนี้เรียกว่าผีดิบแต่แล้วคนบ้านนั้นเขาราจจะมาฟังว่าลูกเขาไปเรียนทีเชียงใหม่กลับมาต้องให้หนุ่มผาถุงแต่งตัวเป็นเป็นผู้หญิงจ้ะผีจะได้ไม่มกินอันนี้เรื่องจริงที่จมาประสบมา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 เวทนานุปัสนาสิปทานไอเด็กที่เป็ดที่เป็ดขวกไปเรียนบาธรรมะที่ไหนว่าได้หมดเลยนี่เห็นไหมท่านทั้งหลายอาตมาก็ยอมรับอาตมาก็พูดต่อไปอคําหนึ่งบอกหนูทํารรมที่มานานเท่าไหร่แล้วกระแต่ข้างไหนหลวงพ่อคะหนูทํามาก่อนหลวงพ่ออีกนะคนคนล่อเคลือเหนือที่กุติตมะก็เด็กตัวที่เป็ดขวกเท่านั้นจะทํามาก่อนยังไง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 แล้ว เ, เชียงแสนด้วยนะแล้วผ้าใสาอย่างดีด้วยแล้วก็มีเครื่องสรรปัปพรวาลังอย่างโน้น อ, อย่างนี้ครบแล้วก็คุณแม่เอาเงินถวายสังฆทานทำให้กับหลวงพ่อสองร้อยบาทนะลู ก, กชามาเลยมาถึงวัดอภวันมาถึงเอามาแวะเข้ามาบอกเอ้าหลวงพ่อคอหักตาอยู่ที่โรงพยาบาลโน้นอ่ะนี่ลูกบอกให้มาหาหลวงพ่อนะวันนี้เน่ะ บอกให้เาเงินมาสองร้อยพระพุทธรูปหนึ่งองค์แล้วก็ผพาใจหนึ่งกล้แล้วเขาก็ปรีไปที่โรงพยาบาลเอาตอมาก็กําลังเขากําลังประคองนั่นกําลังนั่งอยู่เห็นปับแหมันตื้นตันเหลือเกินได้ไกลอีแล้วเงินสองร้อยพพุทธรูปหนึ่งองค์เขาบอกแหม้ไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อขอหกักเพราอลูกสาวลบเล้าตั้งแต่เมื่อวานบอกให้มาหาหลวงพ่อให้ได้ แล้วลูกสาวก็ไม่จะบอกว่าพ่อคอหักแต่ระกันได้เลยเราก็ชื่นใจพอเขากลับไปแล้วพระหนึ่งองค์ให้นางพยาบาลไปสมปรัถนาแล้วเงินเรียกแม่ออมพรมาเอาเงินให้ไปสองแล้วผ้าใายไปท่อไทเมรแทนอาตมาหน่อยนะอาตมาไปไม่ไหวนี่สมปรัถนาอย่างนี้ไอสตีตัวเดียวเงินหลายนองทองหลายมาเลยนะถ้าท่านผู้ใดทาผู้นั้นจะรู้เองเพราะฉะนั้นท่านไม่ทาอาตมาก็ช่วยไม่ได้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 แล้วเราก็ดูคนอื่นอย่างนั้นว่าเห็นหนามันเห็นด้วยปัญญาเดินเข้ามาแล้วใครหนอเห็นหนาปัญญาบอกว่าคนนี้นิสัยไม่ดีคบไม่ได้ตะไม่ผิดด้วยเดินเข้ามาเอกจะรู้เลยว่ามาเอาอะไรตอบออกมาทันทีสติบอกสมประชัญญารู้มาขอยืมเงินแน่นอนไอ้สัปพชัญญาออกมาสัมผัสเกิดปัญญาบอกว่า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 ไปแต่นทำไมให้เสียเวลางานนี่เดี๋ยวสาธิตจะดูสักหน่อย ป่าเนี่ยหลอกพ่อที่บอกคนนึงไปรอบทะเลคนหนึงไปรอบลําซ้ไอ้บล็คนนึงข่าวไปรอบใต้ทำยังไงได้บ้านี่ยพวกสาวป๋าเนีก่อในปนะนี่พวกแขนเนี่ยเดินอยู่กับคนทีองเนี่ยวีหมอทาโงาที่คุที่นี่ลตอนนี้แล้ววงออกเวีน้ปนเดินงเดินงะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวนกแล้วทำไงรู้ไหมเอาวันละ1ิครับแล้วไปต่อไป 20, 40, ิ0้าดถึง100ครั้งตุววันนะมีกำลังมหาศาลเลยนะแล้วโลกเนี่ยแล้วเนี่ยของฝาก็จะหยองตอใช่ไหมทองตอไหมันจะยุบเลยนะยุบลงมาทันทีนะทำยังไง แมต้องเอาเสื้อออกเพดูถึงจะพองพุ่งเจาะเห็่างนี้ถ้าเอสออกนะพองมันจะอย่างนี้เลยซิกเซยอ์อ น, <c oughs> นี่นี่นี่ท้องอย่างนี้นี่อย่างนี้นะยู่งาสอนนะจร <c oughs> ตัมนะนี่บอกมแล้ววาอาาสอนทรงเดไปได้ <c oughs> ไว่าพุเจานนี่ อ, อย่างนี้แล้วพองมันจะขึ้นอย่างนี้ เนี่ยำไส้มันจะทิ้จะใส่กินข้าวไม่ได้สองทามเลยนะบอกนะเนี่ยอะไรที่ทางร้องที่บอดีบอกเว้งใช่ไอ๋อเว้งเฉียวมีดีกว่าเขาจะไปเว้งให้เสียเวลาไปเว้งพุดตะจับเนี่ยสวนตะจับจะเจ็บไปเลยจะจะ จ, จะับ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 เบรกอะไรนะโอ้โ ห, โหแหมเรานี่เปิดพิสูยเรายังล้าสมัยอีกนะที่อตายหาไม่ทันสมัยแล้วเบรกด้านลนลโอ้โ ห, โหตายเราไม่รู้เรื่องเขาเลยเอะอ๋อเตนเก็เงเหมอน่ะเดี๋ยวเวลาจะกลับต้องเต้นให้ดูนะเราจะเรียนไว้ <c oughs> สอนเราบ้างซีแรลกกัน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 แค่แค่ิบวานแล้วก็เต็บไปเจ็บมาดีก็ไปวิ่งนอกบ้านให้โขโมยมาย่องเบาของไปตบัแล้วเราก็ไม่มีใครเห็นในบนบนบ้านเรานี่แหละ <S <S 2> <S 2> นะแล้วก็อาบน้ำซะแล้วกินน้ำหากแก้วรับรองเศษอาหารจะไม่มีติดค้างอยู่อันนี้เป็นสุขภาพอนามัยที่พุะเจ้าสอนอย่างดีจึงมีการเดินกลมขอจเจริญขอเรียนพระภิกษุทั้งหลายว่าการบินบาทกวาดวัดเป็นการออกกาลัง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 ห้าอเอกไปให้ได้วันนี้ได้ห้าอเนะี่ยโยผู้หญิงท่องไว้เลยเนะี่ยาำได้ไหมห้าอห้าอสามจอห้าจอห้าจริงทุกสิ่งปอ ป, อ, ปอหลอกก่อนะมีหลักก็ด้วยเนจะ้านี่กรรมฐานก็เรียกว่าออกกําลังไปในตัวทั้งพัฒนากายพัฒนาจิตโลกนามขันห้าเป็นอารมณ์ที่จะมาพูดมาก็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 อาธุเรียนก็โยงึ้นไปสูงๆแล้วมองได้ไหมมองไม่ให้เป็นายง่ายๆอ ย, ยากเรียนไหมล่ะเดี๋ยวจะไปเอาทุเรียนมาลงมงศีรษะเร า, า <c oughs> บางทีคนแค่กัไปจับเนื้อล